สํารวมจิตใจทุกคนทําอะไรอย่าไปทําเล่นทําจริงจิงเลยกัาว่าสํารวมจิตก็สํารวจริงจริงให้ทําความรู้จากจิตตัวเองว่าจิตตัวเองตั้งึอยู่อย่างไร มันตั้งอยู่ตรงไหนต้องให้กำหนดรู้ในเชะนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่ได้เลยเขาไม่รู้จักที่ตั้งของจิตจิตดวงนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมด เพราะมันมีดวงจิตดวงนี้แหละแล้วมันจึงมีการเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างอย่างนี้ถ้าไม่มีจิตตวงนี้แล้วไม่มีอะไรไม่มีไม่มีใครว่าอะไรอืวว่าจิตตวงนี้ลองคิดตัว่าเมื่อฝึกขนให้ดีแล้ว มันก็สำเร็จความประสงค์ที่ต้องการเอาเขาฝึกฝนวิชาความรู้ทางโลกอย่างงี้นะเรียนไปจนชำชองในวิชาต่างต่างแ้นนะก็ออกมาพัฒนาประเทศชาตบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้สร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้รถลาเครื่องบนเครื่องบินอาคารบ้านช่องสร้างหรูหรามันคงแข็งแรงนี่มันเกิดจากอนุภาพของจิตนี่ทั้งนั้นเลยเอาพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าจิตที่เป็นโลกี มันไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่มันก็เลยหมุนไปตามแต่โลกแล้วก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าก็เกิดประหัตประหารกันขึ้นมีทุกวันเลยอ่านี่นะก็ลองคิดดูให้ดีอิจที่มันมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่มันดุร้ายมันใจดำ เบียดเปลี่ยนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้อย่างเลือดเย็นไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อคำต่อเวนมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อะไรเลยว่าแต่ตนต้องการอะไรใครมาขวางหน้าแล้วเป็นอันว่ากํำจัดมันทันทีเลย อ, อย่างนี้เลยบางรายเขาสืบรู้ ก็ต้องเลยไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นแทนที่ทํำลายเพื่อนแล้วทนจะมีความสุขมันจะสุขได้ยังไงอ่ะบ้านมีคือเมืองมีแปรทาผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็ตามจับมาฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปแต่มนุษย์เราไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันไม่กลัวนะ มันไม่กลัวคุกกลัวตารางมันไม่กลัวนรกอาบายยมภูมิไม่กลัวเลยมันถึงทาได้ถ้ามันกลัวอยู่แล้วมันทำไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะผู้ใดกลัวแล้วมันก็ไม่ทำนะ่ะไม่เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศล นี่ทำให้ชีวิตของบุคคลผู้บำเพ็ญกุศลธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วให้ชีวิตนั้นมีความสงบสุขสบายไม่ตกเป็นทาสของตันหา ม, มันอยังพูเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาอารามเป็นพระก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นชีก็ดีเมื่อหากว่าภาวนาเห็นจิตตัวเอง ว่ามันไม่ได้ตกเป็นท่าแห่งตันหามันอยู่เหนือตันหาอยู่เหนือความอยากเราอยากแต่ในสิ่งที่จําเป็นต่ออัถภาพร่างกายนี้เท่านั้นสิ่งใดไม่จําเป็นแล้วไม่อยากมันเลยก็เมื่อเราปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้นะก็ย่อมรู้ได้ว่าจิตใจนี่มีอิสระเสรีมากกว่าอยู่ครองเรือนอ่ม ก็ให้พากันปลื้มใจพากันดีใจว่าเราเดินถูกทางแล้วเรานำชีวิตไปสู่หนทางอันจะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อยู่ในขนาดนี้นะหรือพูดอีกได้หนึ่งก็แปลว่าเรากำลังเดินทางไปสู่สถานที่บรมสุขคือพระนิพพาน แต่ว่าเรายังเดินไม่ถึงกำลังเดินอยู่ระหว่างทา ง, างเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนก็จะไม่ท้อถอยหากเมื่อเห็นด้วยตนเองขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นคุณธรรมในใจนั่นนะ่ะก็จะไม่ท้อถอยแล้วเพราะว่าพบผลทางแห่งสันติสุขแล้วนี่ถ้าหากว่า ้อถอยไปเดินทางเก่าที่ธนวกรรมมาสุขขันธิการุโยก ค, ความพัวพันในกามความเพลิดเพลินในกามทั้งหลาย อ, อันนี้ไม่ใช่ทมอันวิเศษเป็นทมอันเลวเป็นธรรมของผู้ครองเรือนอย่างนี้นะ เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนเมื่อสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็เอาแล้วก็ต้องมีจิตผูกพันอยู่นั่นแหละอืมก็บุคคลผู้ที่มีใจดูดื่มอยู่ในกามคุณมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ น, นี่มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาแล้ว กิเลมันจะเหือดแห้งไปเองมันอย่างนี้หาไม่ได้เลยใครๆก็ตามเกิดมาชาติใดก็ดีก็ต้องมาบริภพภคกรมกุณนั่นแหละก่อนนะต้องมาลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในกรมกุณอันนั้นไปก่อนต่อมาได้ฟังคำสอนของพระเทเจ้าแล้วเช่นนี้พระ อ, องค์เจ้าทรงสแสดงถึงความไม่เที่ยงแน่ทททแท้แน่นอน แห่งความเป็นอยู่ของชีวิตอันนี้จึงได้ตื่นตัวกันพอได้ตื่นตัวแต่ยังหนุ่มยังน้อยคณะว่าเป็นวัฒนานาบุญของผู้นั้นจะได้สะสมบุญกุศลให้มากในตนของตนจนกว่าว่ามัจจุราช ค, คือความตายจะมาถึงก็ได้สะสมบุญบารมีไว้มากพอสมควรอย่างนี้คณะว่าไม่เสียทีเลย แน่นอนเลผู้ผู้ที่ไม่ได้ครองเรือนเนี่ยเป็นนักบวชนี่มันมีโอกาสที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากกลัวผู้ครองเรือนเป็นไหนๆเลยอ่าเป็นงั้นเพราะฉะนั้น่ะทุกคนผู้เป็นนักบวชเห็พากันภาคภูมิใจที่เราได้โอกาสมาสั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับอย่างนี้น อันผู้คลองเรือนถ้าตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญกองการกุศลไปตามกำลังความสามารถของตนของตนอย่างนี้มันก็เป็นอุปสัยปัจจัยติดตามไปเหมือนกันเนี่ยอาต่างจากผู้ครองเรือนนั้นมันถึงมีกิจจุ้งยากมาขัดขวางมากมาย การที่จะมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลมากับมีน้อยลงไม่เหมือนนักบวดนักบวดได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยเพราะว่าการงานเกี่ยวกับการทำมาห า, หาเรื่อย่างชีพอะไรก็ไม่ได้ทำมีความเป็นอยู่กับชาวบ้านผู้มีศรัทธาบริจาคให้ไอ้เช่นนี้นี่ ถึงกันนั้นก็ผู้ที่ถ้าบวชเข้ามาแล้วบางคนก็ยังดันทุรังออกไปหาความทุกข์ในโลกนั้นอีกอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าอินทรียบ ร, รมีมันยังอ่อนอยู่มันก็สู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นธรรมดาผู้ใดมีอินทรียบรมีแก่กล้า ม, มันก็สู้ได้บวชมาแล้วก็ไม่ตึ๊กปกครองตัวเองได้ ตลอดรอดฟังจนเฒ่าจนแก่อย่างนี้นะอผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่อินทรีย์บารมีมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะอาศัยการกระทํานี่เองอก็เรารู้ว่าแต่ชาติก่อนแล้วอินทรีย์ของเรายังไม่มากพอมาชาตินี้แล้วเราก็พยายามบําเพ็ญให้มันแก่กล้าสิเราได้อัตภาพร่างกายเป็น เรือนร่างที่อาศัยของ จ, จิตใจแล้วเมาที่เราจะทําความเพียรทางกายทาง จ, จิตใจได้อยู่แล้วศรัทธาคือความเชื่อก็ต้องบํารุงให้แก่กล้าขึ้นไปอืเราต้องเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐไม่มี คุณอย่างอื่นน่าจะเสมอกับคุณแก้วสามประการนี่หรือว่ายิ่งกว่าไม่มีเลยก็พิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้อย่าไปทำความเคลือบแคลงสงสัยเร็งแรงเลอยู่เช่นนั้นนะ่ะนับว่าไม่ถูกต้องเลยให้พากันตื่นตัวพิจารณาอันที่พึ่งอันประเสริฐของตนนี่นะ ตนจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่จะเป็นขาวเป็นเหลืองก็ดีกะระวนแต่อุทิศชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ทั้งนั้นเลยแต่บางคนอุทิเศเสสแต่ไม่เห็นแจ้งในพระคุณทั้งสามนี้ด้วยปัญญาไอความเชื่อมันก็ไม่แข็งแรงอันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแจ้ง้วยปัญญาแล้ว อันพระพุทธเจ้านั้นทรงว่าคุณอันประเสริฐควร ก, ก, กราบควรไหว้ควรสักการบูชาอันพระธรรมนั้นเป็นนิยานิกนารทำนำผู้บุพเพติปัติตามิพนธุ์ทุกได้จริงก็เป็นสิ่งที่เราจะลงมือปฏิบัติาตามคําสอนของพระเจ้านี่เรียกว่าเลื่อมใสในพระธรรมไม่ใช่เลื่อมใสอยู่เฉยๆอ่ะอสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละเมื่อตนยังละไม่ได้ก็าพลาดเพียไม่ยามละมันไป ทิ้งได้ที่ทรงสอนให้กระทำบำําเพ็ญให้เกิดให้มีเมื่อตนบําเพ็ญยังไม่แก่กล้าพอยังไม่มากพ่อขอพยายามบาเพ็ญให้มันมากขึ้นโดยลาดับไปอ่านี่ท่านเรียกว่าสตินสีเมื่อัาถาความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้แล้ววิธียนินสีความเพียรมันก็แก่กล้าไปตามกันแหละความภาพพยายามมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีถอยหลังอ่า เมื่อมีความเพียนอยู่ก็ต้องอบรมสติสมบรัิญาณไปพร้อมเลยบางทีมีความภาคเพียนไปสติอ่อนแอมันก็อาจจะเกิดวิปลาสขึ้นมาก็ได้ทำความเพียนไปเดี๋ยวก็จะให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นในใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคุณโทษไม่มีเข้าไปแล้วโลกหน้าไม่มี สวรรค์พันธุ์พันนรกไม่มีอะไรไปทํานองนั้นอถ้ามันเผลอสติการควบคุมจิตแล้วมันอาจเกิดความเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงไปอย่างนี้กดได้จิตใจคนเรานี่นะอ่าเป็นอย่างนั้นอย่าให้ความเห็นมันเคลื่อนคลาดจากความจริงต้องพิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาของตัวเองอเป็นอย่างนั้น ต้องให้เห็นว่าที่เราปฏิบัติตามคามําสองพระติเจ้ามาเช่นว่าเราได้ให้ทานอย่างนี้นะเมื่อทําบุญได้ทานไปแล้วกิเลสในหัวใจมันเบาบางบ้างไหม ม, มันก็ต้องพิสูจน์ดูด้วยตนเองเนี่ยเช่นความโลภความตณีอย่างนี้นะมันเบาบางหรือไม่มเมื่อตอนพิสูจน์อยู่มันก็รู้ได้เลยว่ากิเลสความโลภความตณีมันเบาบางไปจริง ถ้าความโลภความสนีมันไม่เบาบางก็ให้ทานไม่ได้ อ, อก็เห็นแจ้งไปจากด้วยตนเองอนะโอทานบา ร, รมีนี่เป็นเครื่องกําจัดความโลภความสนีจริงๆอันนี้นะเพราะว่าการให้ทานในที่นี้หมายถึงว่าความสมัครใจสละวัตถุสิ่งของออกไปด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครบังคับเลยตอนพี่นาเห็นว่า อ่ะเวลานี้สมควรที่เราจะบําเพ็ญทานแล้วอย่างนี้แล้วก็ตั้งงบประมาณลงไปอเราจะต้องใช้งบประมาณเท่า น, นั้นเท่า น, นี้ทำบุญบำทานตามกําลังของทรัพย์เท่าที่มีมนั่นแหละเมื่อทําลงไปแล้วบ้านี้ความโรคความสนิทหวงเหนทั้งหลายมันก็เบาบางจากจิตใจไปอย่างงี้นะมันก็เห็นอานิสงส์แห่งทานในปัจจุบันนี้แหละ ไม่ใช่ว่าไปมุ่งแต่เพียงว่าให้ทานเข้าของเงินทองไปแล้วเกิดไปชาติหน้านนทนจะร่ำรวยมั่งมีไม่อดไม่อยากอะไรไปหวังจะสวยผลในโลกหน้าอย่างเดียวในโลกนี้มองไม่เห็นผลเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอืมไม่ถูกต้องเราต้องให้มองเห็นผลในปัจจุบันนี้ด้วยอ่าเป็นอย่างนั้นผลในปัจจุบันก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละ บุคคลผู้ทำบุญทำทานนี่ย่อมมีใจเบิกบานผ่องแฉ้วไม่ได้เป็นคนใจดำอมหิทธเปลี่ยมไปด้วยเมตตาการุณา เ, เมื่อทำทานมากก็ไปบ่อยเท่าไหร่คุณธรรมเหล่านี้ก็ยิ่งแก่กล้าขึ้นไปมากเข้านั้นมัน เ, เป็นงานเดองมานะดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจ เพศจารณาอะไรต้องให้มันเห็นแจ้งประจักด้วยปัญญาของตัวเองการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อเร า, ารักษาศีลมันเป็นยังไงนี่เทียบกันดูมันจิตใจเป็นยังไงในเมื่อยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล น, นะเป็นใจดำไม่ใช่เหรอนี อ, อใจไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ฆ่าก็ฆ่าไปพอตีก็ตีไป เช่นนี้เนะี่มันก็ทำให้จิตใจมัวหมองเข้าไปวันนี้เมื่อเรามาตั้งกจ ร, รักษาศีลเข้าไปแล้วไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นเข้าไปจเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืินอย่างนี้นะจิตใจเป็นยังไงอ่ะนี่มันก็รู้ได้เลยโอจิตใจก็ต้องเบิก บ, บานผองใสแน่นอนบุคคลผู้ที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ มองเห็นมนุษย์สัตว์ตั้งหนี่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นสัตว์ที่น่าสงสารไม่ใช่ว่าพอเห็นปลาตัวใหญ่แล้วน้ำาไหลยอยาก จ, จับออกมาปุ้งเป็นอาหารรับประทานอย่างนี้อันเช่นนั้นเน่มันก็ขาดเมตตาแล้วไม่มีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจ ก็ตกเป็นธาตุแห่งตัณหามันก็ไปทําลายชีวิตของสัตว์บาปกรรมมันก็ยอมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนี่หลาจะมาพูดถึงคุณธรรมอันนี้นะถ้าหากก็ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วมนุษย์เรานี่นะทําบาปทํากรรมใส่ตัวเองมากมายเลยทีเดียวมันเป็นงนั้นดังนั้นทุกคนต้องให้มีคุณธรรมคือเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเสมอไป แล้วเมื่อต่างคนต่างมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจสม่ำเสมอกันแล้วแม้นจะอยู่ร่วมกันหลายผู้หลายคนมันก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแต่อย่างไรเพราะว่าต่างคนมีเมตตาปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นถูกทั่วหน้ากันอยู่อย่างนี้นะเมื่อความประสงค์มีอยู่อย่างนี้นะเรื่องอะไรจะไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแบบนี้ ไดอย่างงั้นเน่ยเอาคิดดูให้ดีผู้ที่ทำผู้อื่นในเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่แสดงว่าไม่มีไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเลยเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีศีลแล้วสัมรวมในศีลแล้วก็จะได้ความปลื้มใจจะได้ความเ อ, อิบออาภใจเพราะว่าตนนั้นน่ะได้ทําระกายวาจาใจให้สะอาด หลักจะจากบาปอากุศลต่างๆแล้วอันนี้เ็าจะยิ่งเกิดปิติเมื่อเห็นว่าจิตใจตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอย่างนี้อยู่เสมอมาแล้วมันก็ย่อมเกิดปิติปาโมทละคนเราเพราะว่ า, าความที่จิตใจเบิกบานผ่องแฉ่นี่มันมีความสุขไหมมันเบิกบานนะนั่นนะเมื่อมันมีความสุขแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยาน่บบนี้นะ ปัญหากับครอบงำจิตใจไม่ได้อเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนเมื่อรักษาศีลแล้วข็ให้ประเมินผลของการรักษาศีลดูว่าเท่าที่ตนรักษาศีลมานี่มันเป็นยังไงอ่ะมันมีผลใ้ทางด้านจิตใจอย่างไรบ้างก็ต้องเพ่งพินิษพิจารณาให้รู้ด้วยตนเองขึ้นมาอ่าเป็นอย่างนั้น เราทำอะไรอะไรต้องให้มันให้มันรู้หมายความว่าอย่างนั้นเลยดีก็รู้ชั่วก็รู้จริงก็รู้เนี่ยถามรู้อันนี้นะีนนะก็เพื่อให้รู้เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปบาปนี้มันนำผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทารู้อย่างนี้แล้วมันก็ละบาปได้นะอาศัยความรู้นั่นเนี่ยทำให้เกิด การละบาปละความชั่วต่างๆออกไปถ้าไม่รู้แล้วมันละไม่ได้เลยทำไมงั้นความรู้อันนี้มันเกิดจากภาวนานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปคำละนิบอนห้าให้หมดจดพ่องใสด้วยดีแล้วอย่างนี้นะมันก็มองเห็นบาปเห็นบุญเน้นคนเน้นโทษมองเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ ได้ตามประสงค์เลยอันมองเห็นอย่างหนึ่งบรรลุอย่างหนึ่งนะมันคนละอย่างกันให้เข้าใจเช่นเรามองเห็นทุกอย่างนี้นะเออความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นความจริงหนาอย่างนี้นะออแล้วกระทำรือทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปได้เออป็นองนั้นนั่นแหละบุคคลผู้มีปัญญา เมื่อเห็นทุกข์แล้วกว็ดำหลีคนขาดปัญญาแล้วเมื่อเห็นความทุกข์บังเกิดขึ้นแก่นตนแล้วก็มีแต่ร้องให้ข่าครวนตีอกชกทวงไปต่างๆนานๆอย่างงี้นะเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้ผู้มีปัญญาแล้วเมื่อความทุกข์มันแสดงออกให้เห็นให้รู้อย่างนั้นแล้วมันก็ จะมาพิจารณาเห็นว่าอันนี้แหละที่ตัวมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็ได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละรู้ไหมอในหมายเขาว่าจิตสอนจิตอ่ะก็เมื่อจิตสอนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงดิเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นนี่ก็ดวงจิตมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนะ เมื่อของไม่เที่ยงคือร่างกายนี่มันมีบาดแผลปนไปล้มันก็กระทบกระทั่งกับจิตจิตก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นเสียท่านผู้มีปัญญายาณอันวิเศษเคยขึ้นในจิตแล้วเมื่อความทุกข์กระทบกระทั่งมาท่านก็รู้เท่าตามเป็นจริงรู้ว่าความทุกข์อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นขันธ์ห้าแล้ว ความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ของเราแต่ห ก, กรรมเป็นต้องรู้อยู่รู้จักรู้ทุกข์แล้วนะรู้อยู่แล้วก็รู้เท่าว่ามันไม่ใช่เราอย่างนี้นะเราเพียงว่าอาศัยอยู่ทั่วคราวเท่านั้นเองหมายถึงดวงกิตนี่แหละนั่นแหละเมื่อเมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะนิ ย, ยาาลำบากนี่นะ ก็ปรงก็วางสิก็จะไปยึดถือไว้ทำไมจะไปยึดถือไว้ด้วยความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างความเสียใจเศร้าโศกบ้างอย่างนี้นะอ่านั่นท่านเมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นนะท่านเรียก ว, ว่ามันยึดถือให้เข้าใจถ้าว่ามันรู้จากขนาันธ์หน้านีล้ะมันรู้ทุกรู้เท่าทุกตามเป็นจริงนะอย่างนี้มันจะไม่เสียใจไม่ดีใจ เวลาขันห้านี่มันเป็นปกติมีกำลังวังทานอยู่ตามธรรมดากินก็ได้นอนก็รับทำางานอะไรก็ได้อย่างนี้นะคิดก็ไม่ยินดีเพลิดเพลินกับขันห่านี้ก็ทำความรู้เท่าให้เป็นกลางกลางไปนี่ในเวลากลงกันข้ามหากว่า ขันธ์หนี่มันวิบัติแปลปวนโลคภัยเบียดเบียนไปเขาเนื่องจากว่ามาเห็นแจ้งโดยปัญญาวิปัสนาญาณอยู่แล้วว่าขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงมันก็แปลปวนอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาแต่มันเป็นอนัตต า, าบางข้าไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันแนหะกฎธรรมดามันมีเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็มีแปลปวนในทถ้ำกลางแล้วก็มีแตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดา ของสังขารทั้งมวล น, นะทั้งที่มีจิตคลองก็ดีไม่มีจิตครองก็ดีมันมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เมื่อปัญญาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอยู่นีนแล้วมันก็ไม่ทุกไม่โศกไม่เศร้าเสียใจไม่รับแค้นใจอะไรแม้ว่าร่างกายนี่มันจะกระทบกระทั่งจิตอย่างแรงอย่างไรก็ช่างจิตนี้ก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศก มีแต่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาอยู่ยนั้นมันเจ็บอย่างนี้นอ้าวมันไม่ใช่เราเจ็บขันห้ามันเจ็บต่างหากขันห้ามันแปรปรวนไปเราไม่มีอยู่ในขันห้านั้นขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราแต่เราอาศัยขันห้านี้อยู่เรายัางพงไม่ตกวางไม่ลงจึงต้องอาศัยขันห้านี่บาเพ็ญ คุราะทำอันดีอันจริงให้บังเกิดขึ้นถ้าไม่ได้อาศัยขนันห้านี่การบำเพ็ญจิตตาภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้เลยจะให้บรรลุถึงมรรคถึงผลไม่มีทางเลยอ่าเป็นยังไนก็ดังที่เราจะรู้ได้ทบทวนดูพระพุทธเจ้าพราะองค์อาศัยขันหานี่แหละไม้พระนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมอะไร อย่างนี้นะพระองค์อาศัยขันหานี้เองเอาไปเอามาจนว่ามีกุศลกรรมนิพพิทมาบอกมาดลบันดาลให้พระองค์ได้รู้ว่าเออการทําความเพียรเกินขอบเขตอย่างนี้มันเป็นทุกข์ประเเเอไม่ได้มรรคได้ผลอะไรการที่บุคคลประพฤติหย่อนยานไม่สํารวมตนให้เต็มที่เพิดเพลินมัวมอไปในกามทั้งหลายนี่ อันนี้มันก็ไม่ใช่ทางคนทุกการที่บุคคลทำจิตให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งนี่จึงเป็นทางคนทุกได้เออถ้าอย่างนั้นเราก็จะงดการอดข้าวอดน้ำเหล่านี้เสียเออบินฑบานมาบำรุงร่างกายใ้ให้มีกำลังตามปกติแล้วก็จะเริ่มปรารกความเพียรต่อไป พระองค์ทรงพระดำริอย่างนี้แล้วถึงคลายความเพียรอันอุกฤษเ่านั้นเสียถึงเปรเทียบบินบาบมาค่อยฉันทีละน้อยละน้อยบำลุงร่างกายนั้นให้มันมีกำลังขึ้นมามแล้วพอดีถึงเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงพระองค์เจ้ากออาศิฐานแท่นบันลังให้เกิดด้วยบุญญาบา ร, รมีแล้วขึ้นนั่งแท่นบนลังนั้นแล้วก็ อธิษฐานใน จ, ใจิตใจถ้าหากว่าไม่สำเร็จสัมโพสัมมาสัมโพธิญาณในที่นั่งนในแท่นบันลังก์นี้แล้วเราจะไม่ลุกหนีเป็นเด็ดขาดเลยตายกับายกับนี่นะอย่างนี้นะ อ, องค์ตั้งทัดอธิษฐานลงให้เนวในอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญไป โดยลำดับลำดับไปยานที่หนึ่งได้บรรู้แจ้งในชาติความเกิดความเป็นมาของพระ อ, องค์ก็เพราะแต่ชาติก่อนได้เป็นมาอย่างไรสวยสุขสวยทุกข์อย่างไรก็รู้แจ้งมีอายุสัน้นมีอายุยืนยาวนานก็รู้แจ้งอย่างนี้เลยนวันนี้ตอนเที่ยงคืนก็มาพิจารณาดูถึงความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็รู้แจ้งว่าเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้ไม่ใช่ติงสกิตในสากลโลกอะไรมาโดนบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถุกหรือเป็นทุกข์ไม่มีพระองค์เจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นจึงได้ทรงตรัสพาสิตยืนยันไว้กัมมังสะเตวิพัสติยดิดังหินบ น, นีนีหินาปน ต, าตายะ กรำย้อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้มีความเป็นต่างๆกันเช่นเลวกลัวกันปรญนี่กลัวกันดังนี้นี่แต่พระองค์มองเห็นแล้วรู้แจ้งโดยปัญญาแล้วพระองค์ไม่ไม่เห็นว่าจะมีเทวดาอินพรมสิงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์วิเดศอะไรมาโดนบันดาลให้มนุษย์เราเป็นโุกเป็นทุกข์กไม่มีเลยอ่ะ ทีนีว่าเรื่องนั้นไม่ปรากฏในขายพยานของพระองค์เลยดังนั้นแหละเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทพระองค์จึงสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เชื่อต่อการกระทำของตัวเองอเช่นนี้ตนเองจะเป็นสุขก็เพราะตนทําความดีตนเองจะเป็นทุกข์ก็เพราะตนทําความชั่วด้วยกายวาจาใจ คาดีกําชั่วนี่แหละอำนวยผลให้แกบคุคคลผู้กระทำไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาอำนวยผลให้ไม่มีแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อพระปณะพระปัญญาตจัสรูของพระพุทธเจ้าทั้งที่ปฏิ ญ, ญาณตนเป็นพุทธมามะกะธรรมมามะกะสังฆมามะกะแล้วทั้งนั้นเลยอ่า เช่นอย่างว่าไอ้ทาบุญทําทานแต่ละครั้งละคราวก็อราราธนาสินพระให้สินโยมก็รับเอาอย่างนี้นะแต่ขั้นเมื่อรับเอาแล้วมันไม่รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเต็มที่เป็นยงั้นดังนั้นแหละ พระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้คนเรานั่นอย่าไปเชื่องมงายก่อนจะเชื่ออะไรลงแล้วต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆให้แกมแจ้งเสียก่อนแล้วก็จึงค่อยเชื่อว่าถ้ามันถูกมันดีจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยเชื่อไปทำตามถ้าพิจารณาโดยเหตุผลเห็นว่าเรื่องนี้เหตุผลไม่เพียงพอเห็นจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เชื่อผู้ทาตาม เห็นอย่างนี้เราก็งดที่ไม่ทําแล้วอืมไม่ทํำตามําโคษรนาชวนเชื่อต่งางๆนานานในโลกนี้เลยต่อเมื่อได้ตนได้เห็นแจ้งประจัดด้วยตนเองว่าชีวิตนี้ต้องละความชั่วอย่างนี้อย่างนี้แล้วต้องทําความดีอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะประสบกับความสุขความเจริญเอาความสุขความทุกข์ในปัจจุบันนี้ อาศัยบุญบา ร, รมีที่ทํำมาแต่ก่อนหรืออาศัยบาปกรรมที่ทํามาแต่ก่อนมันติดตามมาอานวยผลดังนั้นเมื่อกรรมดีกรรมชั่วมันมวยผลให้อย่างนี้แล้วบุคคลไม่ต้องการให้มันมาอํานวยผลให้ไปทุกข์มันจะได้ยังไงอ่ะในเมื่อตนทํามันมาแล้วนะมันก็ต้องติดตามมาให้ผลจนได้เลยอืมอย่างนี้เนี่ยแล้ว เมื่อกรมันมาให้ผลแล้วก็ ด, ดิ้นโลนไปหาหมดหาหมอมาช่วยกำจัดปัดเป่าสเสนียดจันไรอุบาทต่างๆหมดนั้นให้ระ ง, งับดับไปจากร่างกายสังขารนี้อย่างนี้นะเอาอานุภาพแห่งอกุศลกรรมนะมันเหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วเท่นนั้นแล้วมันจะมีมนตล์กลคาถาที่ไหนมาชำระออกได้ไม่มีอ่ะ ก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงอนอะความจริงก็เป็นอย่างนี้แต่คนเราไม่ยอมรับกับความจริงเหล่านี้เหตุนั้นเมื่อเวลาทุกภัยทั้งหลายมาถึงเข้าแทนที่จะกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นไปอธิษฐานใจละเว้นบาปกรรมความชั่วที่ตนได้ลุ่มหลงทามา แต่ก่อนเนี่นี่ไม่ทำเลยมันมีมมอุบไม่มีอุบายเงีบคายเลยเมื่อเป็นชนีมันจึงเดินดิ้นหาที่พึ่งคลายนอกแบบนี้นะดางกล่าวมาเรีวนั่นแหละเรียกว่าญาติพี่นอกกับไปบนบานฐาลเก่ า, กาขอให้ญาติของพระเจ้านี่หายไปนะจะเอาหมูมาเลี้ยงเอาเป็ดเอาไก่มาเลี้ยงอะไรไปทำนองนี้อืมแล้วที่ถู ก, กตายเสีย เยอะแยะเลยเวงั น, งนผีอะไรจะมาช่วยได้คนมีกรรมมีเวร น, นะไม่มีทางแล้วต่อให้พระพุทธเจ้าหรือพระองค์ ก, งก็ช่วยไม่ได้นะจะว่าอะไรเทพเจ้าเราเทวาผู้ที่ปีชาติอะไรโมนี้จะมาคำจัดคำเวรที่ตามสนองบุคคลอยู่ให้หมดสิ้นไปไม่มีทางเลยนะอยืมดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะ ควรจะรู้นี่อันี้ควรจะรู้ว่าทุกข์นั้นมันมีจริงอยู่แล้วแล้วมันจะไประ ง, งับได้ยังไงในเมื่อขันห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นอย่างนี้นะถ้าลองพิจารณาดูด้วยปัญญาสิมันก็เป็นความจริงอย่างนี้แต่เมื่อบุคคลไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญามันก็จะไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้อ่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแล้วตัณหาเนี่ยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์อย่างนี้นะ ผู้มีปัญญาไม่ลาเอียงเข้ากับกิเลสพิจารณาดูแล้วก็ยอมยอมรับเลยแน่นอนตัณหาเนี่เป็นเหตุให้ทุกเกิดจริงๆความทุกกายทุกใจเนี่เกิดจากตัณหาทั้งนั้นเลย อ, อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบางคนเกิดมานในกโรคไข้ไข้เจ็บก็เบียดเวียนรักาไงก็ไม่หาย นั่นแหละปัญหามันอยากฆ่าสัตว์อยากเวียดเบียนสัตว์มาแต่อดีตฆ่าผลหลัง น, งนู่นอะย่างงี้นะแล้วกรรมเวรนะั้นมันกติดตามมาสนองเอ า, อานี่อ่แล้วบนะุคคลเนี่ยมันไม่เห็นแจ้งในปัญหาอันนี้นะมันต้องไปสำคัญว่าสิ่งอื่นสิ่งภพศิลภายนอกนู่นมาทําให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์อ่าระคาบใจไปอย่างนั้นถ้าผู้ใด เห็นแจ้งในตันหาเห็นโทษแห่งตันหานี่จริงๆเนี่ยโอ้คิดดูในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรานึกถึงอดีตไม่ได้ก็ดีบุคคลรู้อำนาจแกตันหาเลยนะมันก็เบียดเบียนกันท่อโกงกันจี้พร้นกันทำลายชีวิตของกันและกันเพราะความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างนั่นเองอ่ะก็เพราะความอยากตัวเดียวน่ะเป็นเหตุเนีเราคิด คิดในปัจจุบันนี้ก็พอรู้ได้เลยเมื่อปัจจุบันนี้ตัณหามันมีโทษอย่างนี้นะตัณหาในอดีตชาตินลหลังนันมันก็มีโทษเหมือนกับปัจจุบันนี้เองอ่ผู้ดไดมาเห็นโทษแห่งตัณหาอย่างนี้แล้วมันก็เพียรละเลยแบบนี้นะนั่นแหละเพียรละตัณหาที่ท่านว่าปัญญ์ชีอบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไป เรื่ๆไปแล้วว่าใ น, นมุนกุละตัณหาความทะยานอยากต่างๆให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้เลยบางคนมีวัฏฏนาแก่ย้ากลละตัณหาความอยากในมดสิ้นเชิงไปจากจิตใจเลยอย่างนี้แล้วก็มีความสุขสบายใจอยู่ตลอดเวลาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกอันนี้อย่างนี้นะลองวาดภาพดูสิอ๋อ เมื่อจิตใจของตนนะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้มันจะมีทุกข์หรื อ, อแน่นอนนะบุคคลเมื่อพิจารณาดูเนี้่ต้องรู้ได้ไม่มีทุกข์เมื่อไม่อยากได้อะไรแล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะจะอยากให้มันหายก็ไม่ว่าไม่อยากให้หายก็ไม่ว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอหมอช่วยรักษาให้หมอรักษา ให้หายได้ก็หายไปเมื่อหมอรักษาให้หายไม่ได้ก็อะมันเป็นกรรมเป็นเว น, นติดตามมาสนองเอาแต่ห น, นหลังมันจะหมดอายุสังขารไปแล้วแหละมันจะหมดบุญหมดกรรมเน้แหละอ่าเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องไม่ต้องอยากให้ใครมารักษาไม่ต้องอยากให้มันหายวันให้คืนอะไรไม่ต้องวิตกวิจามนันเลอืมก็ เมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงอยู่แล้วเราจะไปห้ามไมา่ให้มันแตกดับได้ยังไงร่างก า, ายสังขารนี่นี่แหละเมื่อปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจก็รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ทำจิตให้เป็นกลางได้สิวันนี้นะนอมันก็ไม่ไม่สำคัญไม่ยึดถือว่าร่างกายนีเป็นัวเป็นตนอะไร เพียงอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุปัจจัยแนละ้วมันก็แตกทําลายลงเท่านั้นแหละร่างกายอันนี้นจะมีอะไรอ่ะก็ต้องอาศัยการพิจารณาบ่อยๆน ะ, ะถ้าใครเกลียดขั้นพิจารณาแนละ้วมันความรู้อันนี้มันก็ไม่ยิ่งเมื่อมันไม่ยิ่งแนละ้วมันก็สู้ความหลงไม่ได้อืเหล๋ยวมันก็พาให้หลงไป สำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้นะตนอยากได้อันนั้นตนอยากได้อันนี้ไปอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเมื่อความรู้มันไม่ยิ่งแล้วมันก็ตกเป็นท่าอย่งตัณหานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดใจรรมคุณว่าสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระภูมิภาคเก่าสแสดงไว้ดีแล้ว สันทิติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอาการิโกไม่อ้างการอ้างเวลาสิ่งที่จะให้จิตรู้นั้นมีอยู่ทุกเวลานาทีคือร่างกายอันนี้เองอย่างนี้นะจิตกาหนดเวลาใดก็รู้กันได้เวลานั้นเพราะมันมีให้รู้มันมีให้เห็นอยู่แล้วมันยังไม่แตกไม่ดับก่อนอย่างนี้แหละ ก็องค์สอนให้พิจารณาให้มากมากกริญนให้มากอืกเมื่อพิจารณาให้มากการเริ่นให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อพนิพานคือความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงดังแสดงมาอมขอจบโรงเพียงเท่านี้